ใครจะส่งกันบ้านเชิญอาหมอได้เลยครับก็ช่วงนี้ที่เห็นจิตมันทํางานของมันเองแล้วครัหลวงพ่อวันนี้ก็เห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงไปของมันเองเอหนูสังเกตอย่างหนึง่งค่ะหลวงพ่อว่าการทํากิจกรรมบางอย่างหรือว่าการกินอาหารบางอย่างอะไรพวกเนี้ยมันมีผลกับการเกิดสติบ่อยหรือไม่บ่อยด้วยหรือครับหลวงพ่ออ้าแล้วกินอะไรเกิดสติเอ ขึ้นหนสังเกตว่าถ้ากินอาหารที่มันหนักมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้โมหะมันกิเลสมันเกิดง่ายกว่าอ๋อไอ้นั่นมันหลักวิชาการแพทย์ธรรมดานะ <c oughs> เลือดมันไปเลี้ยงกระเพาะหมดอย่างนี้เราไม่สามารถจะทําให้สติเกิดได้บังคับไม่ได้แต่เราจัดปัดจจัยที่กระตุ้นเกื้อนหนุนสติได้ไดมันเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยกับการมีสติ <c oughs> งั้นอย่าง การภาวนาจะดีไม่ดีอย่างนี้อาหารสัพปายะไหมสําคัญเรื่องอาหารมีมีส่วนเกี่ยวข้องนี่พระพุทธเจ้าสอนมาแต่แต่นู้นละอาหารที่ไม่สัพพายะบางคนทานอาหารอย่างนี้แล้วภาวนาไม่ไหวบางคนถ้าไปทานอาหารไม่ถูกนะไม่เข้าถึงธรรมเลยก็มีนะ ในธรรมบทพูดถึงมีพระกลุ่มหนึ่งภาวนาไงก็ไม่ได้แล้วอุบาสิกาผู้รู้ว่าระจิต <c oughs> พิจรารณาดูว่าทำไมพระไม่บรรลุสักทีเนี่ยพบว่าอ๋ออาหารไม่สั ป, ปะยะแกก็หาอาหารที่สัปปะยะกับพระแต่ละองค์แต่และองค์งไปให้ท่านก็บรรลุทั้งหมดเลยประมาณ60องค์ที่อยู่ก็ต้องสัปปะยะนะที่อยู่งเรา บางที่ภาวนาไปแรกๆดีอยู่เป็นนานๆแล้วจิตใจเฉื่อยชายไม่ดีหรือที่ที่กำลังก่อสร้างวุ่นวายไม่ดีที่เก่ามากต้องซ่อมแล้วนะี่ไม่ดี <c oughs> บุคคลต้องสัปปะยะต้อมีกาลยานามิตร <c oughs> อยู่กับเพื่อนนักปฏิบัติที่กวนประสาทนะ วันๆก็เครียดอยู่ ใ, นในกล้กับพวกเครียดเครียดเครียดตามไปด้วยบุคคลไม่สัปปยะธรรมะต้องสัปปายะธรรมะที่เราใช้สําหรับเราต้องเหมาะกับเราไม่ใช่เป็นลอกแบบการปฏิบัติของคนอื่นตจ้าเหตุนสัปปยะสี่อย่างจําเป็นนะเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นในการปฏิบัติของเราแล้วก็อาศัยการสังเกตเอาว่าเราทําอะไรแล้วสติ ทำให้ชัญย่เกิดบ่อยแล้วเอันนั้นเราอยู่ใกล้คนนี้แล้วสติเกิดใบ่อยเราก็ไปอยู่ใกล้คนนี้แล้วเราไปอยู่ใกล้เขาแล้วเราสติเกิดบ่อยแต่เขาสติพังภาพไปเลยนะก็ต้องสงสารเขาเหมือนกันบา <c oughs> งคนไปลากเขาเสียตัวเองดีขึ้นเน <c oughs> ืออาหารบางท่านอดอาหารแล้วภาวนาดีนั่นก็อดกันทีหนึ่งหลายๆวันบางท่านก็ต้องทานข้าวก่อนแล้วภาวนาดีต้องดูเอา ท่านก็ชอบอยู่ในถ้ำมีน้องของหลวงพ่อคนนึงเหมือนกับพี่น้องกันนะทาจริงไม่ได้เป็นญาติอะไรกันหรอกคือ อ, องคนะ่ที่สับปลายะกษ์ของององนะคือที่มืดๆทึบๆอับๆแล้วภาวนาดนะีชอบแบบอยู่ในถ้ำอยู่อะไรเงี้ยบวชอยู่ในกรุงเทพนะไม่มีถ้ำให้อยู่จะอยู่ในบบทชรัศมนะ มดก็ไม่โตนะหมดเล็กๆปิดประตูหน้าต่างเรียบเลยนะกลางวันที่ร้อนโอ้โอบแบบคล้ายๆน้องๆห้องสาวหน้าอนันะงนั้ น, นะา น, นภาวนาดีนะอย่างหลวงพ่อต้องอยู่ที่โล่งๆที่กว้างๆโล่งๆนะแลก็ภาวนาดีนี่เราต้องดูตัวเราเองนะเวลาก็มีส่วนนะต้องสังเกตเอาบางคนภาวนาดีตอนเช้าบางคนตอนสายตอนบ่ายตอนเย็น ตอนค่ำตอนดึกอย่างหลวงพ่อหัดภาวนาแรกๆได้สังเกตเลยสักสี่โมงเย็นแต่แล้วเนี่ยภาวนาดีอาจจะเพราะว่าเลิกงานก็ได้นะมัในใกล้เวลาเลิกงานแล้วจิตใจได้ตัดเรื่องงานทิ้งเลยพอเลิกงานปุ๊บดูลูกลูกเดียวเลยนั่นจะดูอย่างขยนขันขันแข็งแลพอค่ำพอดึกเนี่ยนะมันเหนื่อยจากการทำงานทั้งวันแล้วเป็นคารวาดน้ําเหนื่อยมันดูไม่ค่อยจะไหวแล้ว ตอนค่ำตอนดึกอะไรเงี้ยยังมีช่วงเวลาที่สดใสยอยู่ไม่นานตอนเช้าสดใสจริงนะแต่ต้องตาลีตาลานไปทาํางานแย่งชิงกันใช้ถนนใช้รถงั้นช่วงที่ปลอดโปร่งจริงๆนะกลายเป็นช่วงเย็นๆ เ, เลิกงานแนละ้วหมดธุระหมดภาระมีช่วงเวลานิดเดียวนึงนะส่วนนั้นเป็นนาทีทองของเรานะงั้นเราต้องสังเกตตัวเอง อะไรที่ทําแล้วเ ก, กลื่อนเลให้เกิดสติเอาวันนั้นอย่าไปลอกแบบกันหลวงพ่อเลยไม่ชอบจัดคอร์สนะจัดคอร์สมันบังคับทุกคนให้ทําในสิ่งเดียวกันเหมือนเหมือนกันพร้อมๆกันแล้วทํามันไม่ถูกจริตมันทําไปมันก็เหนื่อยเปล่าหรือเหนื่อยมากได้ผลน้อยอย่างคนนี้เป็นเวลานี้เขาควรจะเดินนักขาเขานั่งเราทุกคนจะต้องนั่ง ตอนนี้เป็นเวลาที่เขาควรจะหลับแล้วก็เรียกให้ฟังธรรมะนี่คือจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ถนัดเดินเลยก็ได้ถนัดนั่งลูกเดียวเลยบางคนไม่ถนัดนั่งเลยนั่งแล้วหลับต้องเดินเนี่ยต้องศึกษานะต้องสังเกตตัวเองเนาะแต่เคสที่ถนัดนอนเนี่ยมีคนเดียวมีองค์เดียวนะท่านภาวนาด้วยกันนอนหลวพ่อจาชื่อท่านไม่ได้ เป็นรุ่นผู้ใหญ่แล้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอยู่ทางศีรษเกตท่านภาวนาท่านถนัดนอนเราต้องดูตัวเองอย่าไปลอกแบบใครทางใครทางมันคำว่าทางใครทางมันเนี่ยในหลักของการปฏิบัตินะต้องเป็นอันเดียวกันคือหลักที่พระพุทธเจ้าสอนแรกสุดเลยเราต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ ค่องอยู่เครื่องรู้ของจิตที่เป็นกายเวทนาจิตธรรมคือกายกระใจเรานี่เองรูปกระน่ำมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่คำว่าเครื่องอยู่มันก็บอกแล้วนะไม่ใช่คุกเครื่องอยู่คือบ้านไม่ใช่คุกพวกเรานักปฏิบัติส่วนใหญ่นะอยู่ๆก็หาเรื่องติดคุก ค, คือน้อมใจให้มันซึมทื่อนิ่งห้ามกระดุกกระดิกนะคนอยู่บ้านในเวลามีธุระออกจากบ้านได้ตลอดเวลา คนติดคุกอยากไปไหนก็ไปไม่ได้ถูกขังแล้วเราต้องมีวิหารธรรมคือเราเอากายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นบ้านเป็นที่ระลึกของสติให้สติค่อยมาระลึกอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าจิตใจมีธุระจะไปทํางานที่อื่นนะมันก็ออกจากบ้านไปวิ่งไปทางตาบ้างวิ่งไปทางหูบ้งวิ่งไปคิดบ้างมันก็ทํางานของมันไม่ได้ห้ามมัน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 เพ่งให้นิ่งคือตรึงความรู้สึกเอาไว้ที่เดียวนันคือติดคุกหลายคนภาวนาแล้วจิตอึดอัดนะพอลงมือภาวนาก็เพ่งหนยเพ่งกายเพ่งใจเพ่งกายเพ่งใจเพ่งให้นิง่งกายก็นิ่งนิ่งิดความเป็นจริงจิตใจก็แข็งชื่อขึ้นมาผิดความเป็นจริง น, นั่นติดคุกแล้วไม่มีความสุขเลยจิตใจที่ไม่มีความสุขเป็นจิตอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลจต้องมีความสุข งั้นถ้าเราภาวนาแล้วหนักหนักแน่นๆ่นแข็งแขงซึมๆมทื่อๆนี่อกุศลติดคุกอยู่อกุศลให้ผลนะติดคุกติดคุกทางใจนะขังตัวเองไว้ด้วยความเชื่อมั่นเอาเองด้วยทิฏฐิว่าทํ า, าทอย่างนี้เราจะดีทําอย่างนี้เราจะดีคิดเอาเองงั้นอันแรกเลยต้องมีวิหารธรรมคนไหนรู้ท้องฟองยุครับสติเกิดก็เอานั้นรู้ลมหายใจรับสติเกิดก็เอานั้นพุโทโธรับสติเกิดก็เอานั้น ขยับมือทําจังหวะแล้วสติเกิดบ่อยก็นั้นสติเกิดบ่อยก็คือรู้รู้ทันตัวเองได้บ่อยเช่นบางคนดูท้องพองยุบแล้วจิตแอบไปคิดจิตไหลไปคิดแวบบสติะระลึกรู้ทันเลยว่าหลงไปคิดละลืมพองยุบไป ล, ละพอระลึกรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดปมจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งเราก็เห็นร่างกายมันพองมันยุบไปตรงนี้เดินปัญญาได้ละเห็นว่าตัวที่พองที่ยุบอยู่ไม่ใช่ตัวเรา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 ไม่ใช่ตัวเราหรอกรูปมันกําลังกระเพื่อมไหวอยู่มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหรือรู้ทันว่าจิตนั้นเป็นอนัตตาแต่เดิมจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจแล้วอยู่ๆจิตก็หนีไปคิดทีนี้ไปคิดแล้วสติก็เกิดขึ้นเองอีกเกิดเองทั้งสิ้นเลยสติละลึกปุ๊บใจตั้งมั่นขึ้นมาเองแต่เดิมหนีไปตอนนี้ตั้งมั่นอีกแล้วมีแต่ของไม่เที่ยนมีแต่ของบังคับไม่ได้ นี่อย่างนี้ได้ว่ามันมีปัญญางั่นมีสติขึ้นมานะใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วถึงจะเกิดปัญญาความตั้งมันม่นเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญานะไม่ใช่เอาสติไปเพ่งเพงเพ่งเ พ, ง, เ พ, ง, เพงลูกเดียวจิตไม่มีสัมมาสมาธิมีแต่มิจฉาสมาธิพอเพ่งเข้าไปก็หนักแน่นแข็งซึมทื่อจิตทื่ออยู่ที่เดียวนะไม่เกิดปัญญาไม่สามารถเห็นกายเห็นใจเป็นใจรักได้ นอกจากมีวิหารธรรมเราก็ฝึกให้มีสติมีใจตั้งมั่นขึ้มารู้สึกตัวขึ้นมามีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวรู้เท่าทันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานี่หลักของสติปัฏฐานนะอันแรกเลยมีวิหารธรรมอย่างเอากายในกายเป็นวิหารธรรมเรียกายเยกายานุปัสสีวิหรติอาตาปีอาตาปีคือมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสไม่ใช่ภาวนาเพื่อตอบสนองกิเลส พวกเราชอบภาวนาตอบสนองกิเลสคือเซอิฟอัตตาตัวตนนั่นเองภาวนาแล้วเมื่อไหร่กูจะเก่งเมื่อไหร่กูจะได้เมื่อไหร่กูจะบรรลุนีภาวนาเพื่อเซอริรฟอัตตานะอย่างนี้ใช้ไม่ได้กิเลสไม่เล่าร้อนนะเราเล่าร้อนเองใจเราจะเล่าร้อนว่าเมื่อไหร่จะได้ว่าเมื่อไหร่จะไ ด, มไะไดนะ้มีวิหาราธรรมมีอาตาปีคือแผดเผากิเลสไม่ถูกกิเลสย้อมใจ ภาวนาโดยไม่ใช่ถูกกิเลสยอมนะไม่ใช่กิเลสผลักให้ภาวนาแล้วก็อาตราปีสัมปชัโนโมีความรู้สึกตัวขึ้นมามีสติรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจใจิตใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเสร็จแล้วมันจะนําไปสู่อีกประโยคหนึ่งฉันบอกว่าวิเนยยะโลเกอาพิชาโทมานัสสะเอาความยินดียร้ายในโลกออกเสียได้ คำว่าโลกก็คือรูปนามกายใจเรานี่เองคำว่าโลกอย่าไปแปลโลกว่าโลกอย่างนี้นะไม่ใช่เอิร์ทนะโลกก็คือรูปนามกายกายใจนี้มันเป็นศัพท์เฉพาะของศาสนาพุทธนะคำว่าโลกไม่ใช่โลกอย่างที่คนไทยใช้โลกอย่างที่คนไทยใช้นี่มันพวกภพพวกภูมิอะไรเงี้ยศัพท์ไม่ใช่โลกอะโลกแปลว่าหมูสัตว์ก็ได้แปลว่ารูปนามก็ได้ โดยเทคนิคโอเทอรของภาษาเขาคือพอเรามีสติมีใจตั้งมั่นเราจะเห็นขึ้นมาเลยมีปัญญาขึ้นมาว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเรานี้ชั่วคราวดี๋ยวพอใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาสติรู้ทันปั๊บความทุกข์จะดับไปนะความทุกข์ทางใจนะจะดับทันทีแต่ความทุกข์ทางกายไม่ดับหรอกดับใดที่ยังมีเหตุอยู่ก็ยังมีอยู่ หรืออกุศลทั้งหลายเนี่ยถ้าสติระลึกปั๊บดับทันทีกุศลเนี่ยสติระลึกไม่จำเป็นต้องดับนะเวทนาเนี่ยสติระลึกไม่จาเป็นต้องดับคกรเรื่องไม่ใช่อกุศล น, นี่ถ้าเราสติตัวจริงเกิดใจเราตั้งมั่นเราจะเห็นความจริงอันหนึ่งว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยจะเป็นรู ป, ปธรรมนามธรรมนะไม่ใช่ตัวเราอย่างเราเห็นว่าความโกรธที่เกิดขึ้นนะั้ไม่ใช่ตัวเราหรอก เราเห็นว่าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี้ยไม่ใช่ตัวเรารเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยพอเราเห็นลงมานะมันไม่มีตัวเราพอมันไม่มีตัวเราจริงๆนะความยินดียินร้ายในรูปในนามในกายในใจมันจะไม่มีหมดไปเองงั้นภาวนาไปถึงสุดท้ายนะั้นมันจะหมดความยินดียินร้ายในกายใ น, ในใจในี้ในรูปในนามนี้เรียกว่าเอา ความยินดียินรไลในโลกออกเสียได้อันนี้เป็นขั้นที่สูงขึ้นไปนะถ้าขั้นเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราไปรู้สภาวธรรมแล้วมันจะเกิดความยินดียินรายขึ้นมาห้ามมันไม่ได้หรอกแต่พอเกิดความยินดียินไลแล้วเช่นจิตใจเรามีความสุขนะเราเกิดพอใจขึ้นมาความสุขไม่ใช่กิเลสนะแต่ความพอใจรักใคร่พอใจผูกพันในความสุขนี้แหละคือราคะให้เรารู้ทันว่าใจเราพอใจในความสุขแล้ว ความพอใจหรือราคาที่นี่จะดับอัตโนมัติเราก็จะรู้ความสุขด้วยจิตที่เป็นกลางแค้เห็นในความสุขมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่แปลกปลอมผ่านเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเห็นเองนะไม่ต้องคิดนะไม่ต้องไปนั่งบรรยายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาบรรยายเราฟุ้งซ่านหรือหรือความทุกขผ่านเข้ามาเนี่ย ถ้าจิตมันมีสติขึ้นมาจิตมีความตั้งมั่นมีสามาธิสักว่ารู้สักว่าดูเห็นกายเห็นใจเป็นความทุกข์ไปนะมีความทุกข์ขึ้นมาเห็นตัวความทุกข์มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยค่อยๆละความเห็นผิดไปนะทีแรกเห็นแล้วก็ยังยินดียินร้ายอย่างเห็นความทุกข์แล้วไม่ชอบเห็นความสุขแล้วชอบเนี่ยถ้าถึงจุดนี้เราก็มีสติรู้ลงไปที่ความยินดียินร้ายมันดับ ความยินดียรายดับอัตโนมัติแล้วก็รู้ความสุขรู้ความทุกข์รู้สภาวะธรรมทั้งหลายอย่างซื่อๆตรงๆอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละแล้วจะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายก็ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เรากนะุศลอกนะนะุศลไม่ใช่เราจิตที่เกิดดับทางตะวาัตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะตะวันทั้งหยนะไม่ใช่เราใ น, ะนการภาวนานะทําไปอย่างเนี้คอยรู้คอยดูไป ถ้าทาด้วยความถูกต้องนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทาไปต้องมีผลบ้างหลายคนนะฟังหลวงพ่อพูดหลายปีมีคนชื่อม้าเหมียวอันนี้ไม่หมาม้าเหมียวใครรู้จักไหมรู้จักม้าเหมียวไหมม้าเหมียวใช้ชื่ออะไรหน้าแมวเป็นแมวอยู่ในกลุ่มลานธรรมในกลุ่มนี้แหละเออแมวนะแมวหอม แมวบอกว่าฟังหลวงพ่ออยู่เจ็ดปีเนี่ยมาฟังทีไรนะหลวงพ่อก็บอกไม่ใช่ไม่ถูกอย่างนั้นตลอดเวลาเลยมีแต่ไม่ใช่มีแต่ไม่ถูกอย่าทำสิให้รู้เอาอย่าไปทำอะไรให้รู้เอาแกก็อดทำไม่ได้นะทำยังไงจะถูกทำยังไงจะถูกคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาหาทางทำตลอดเวลาหลายปีนะหลวงพ่อพยายามบอกแกอย่าไปประคองอย่าไปบังคับอย่าไปควบคุมมันรู้มันอย่างที่มันเป็น ใจถึงถึงนอยนสอนอย่างนี้ได้ยสอนแต่ว่าให้ใจถึงเหมือนที่บอกพี่แอดเนี่ยนี่อีกคนหนึ่งนะเรียนหลายปีเรียนยี่สิบปีนะบอกใช้ถึงถึงใจถึงถึ ง, ถ ง, ถงแกเข้าใจไม่ถึงสักทีนะอยู่หลายปีจกนกระทั่งใจฝ่อเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งฝ่อเลยไม่อยากปฏิบัติละเราโง่เง่ า, งาไม่มีวาสนาบารมีชาตินี้คงไม่ได้ละแต่ว่าพอใจฝ่อไปช่วงหนึ่งนะก็กลับมารู้ใหม่ ตอนสุดท้ายมาสังเกตยอยู่ไอตอนที่ใจฝ่อๆแล้วมาแล้วไม่ได้ทําอะไระหลวงพ่อบอกเออดีนี่ไอชักชักงงงและนะไอตอนที่ทํามาตลอดเวลาที่ทํามานะบอกไม่ได้เรื่องเลยใช้ไม่ได้ตอนที่เลิกทําไปแล้วนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นนี่แหละรู้ซื่อ ๆ, ๆ, ๆหลวงพ่ อ, อกล่ว่าเออดีละดีละเนะสุดจับหลักได้การปฏิบัติไม่ใช่การทําอะไร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 สติก็เกิดเองเห็นไหมสามมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตก็ตั้งของเขาเองปัญญาก็เกิดของเขาเองเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยที่จริงทำอย่างเดียวนะคือรู้ถ้าลงไปอ่านมาหาสติปัฏฐานสูตรนะจะพบว่าเวิรหรือกริยาในสติปัฏฐานมีอยู่ตัวเดียวคือคำว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจ เข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้เลิกหายใจแล้วก็รู้มีนะขั้นที่สีเลิกหายใจมันจะมาหายใจทางผิวหนังนะจมูกนี่หายใจนิดเดียวเพราะฉนั้นถ้าใครภาวนาอนาณาปณะสติได้ถึงจุดเนี้ถ้าถูกเขาจับใส่ตู้ขังไว้นะจะตายทีหลังเพื่อนเพราไม่ค่อยหายใจเท่าไหร่นี่มันมีแต่คําว่ารู้ หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้นะหรือยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้จะคูจะเหยียดจะเหลียวซ้ายแลกขวาจะก้าวไปจะถอยหลังก็รู้กิริยามีอยู่คําเดียวนะครัว่ารู้ดให้ดีมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยเฉยก็รู้จิตมีราคาก็รู้จิตไม่มีราคาก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้สังเกตไหมกิริยามีอยู่คําว่ารู้ทั้งนั้นเลย ทั้งหมดเลยนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะแต่พวกเราไม่ค่อยเชื่อพวกเรารู้อย่างเดียวไม่พอดูมันอวดวิเศษกว่าพระพุทธเจ้านะถึงล้มลุกคลุกค ล, ล, ลานไม่เลิกนะเราคิดแต่ว่าจะทําทํายังไงจะถูกทํำยังไงจะถู ก, งงถกสอนกันด้วยนะต้องทําให้เยอะๆนะแทนที่จะสอนให้รู้เยอะ ๆ, ๆรู้บ่อยๆพระพุทธรีกตารู้มากๆรู้บ่อยๆ นั่นกิริยาจริงๆมีแต่คําว่ารู้ในสติปัฏฐานแล้วคําว่ารู้ในสติปัฏฐานเนี่ยมีอยู่สองนัยยะต้องรู้ได้ทั้งสองนัยยะรู้อันแรกเนี่ยรู้ด้วยสติรู้อันที่สองรู้ด้วยปัญญาคําว่ารู้มีสองอันนะอย่างยืนอยู่ก็รู้เนี่ยรูปมันยืนทีแรกเราเราอาจจะนั่งอยู่แล้วเราขยับตัวลุกขึ้นยืนปุ๊บ เราเห็นมีสติเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปรูปกำลังเคลื่อนไหวแล้วแล้วก็มีปัญญารู้ว่าตัวที่เคลื่อนไหวนี้เป็นแค่รูปนะไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนะแต่วัตถุถาธาตุนี้กำลังเคลื่อนไหวเราเป็นแค่คนดูมันนี่รู้มีสองระดับนะมีสองนยอัยยะแรกมีสติรู้กายรู้ใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่สองมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้น ความจริงของเขาก็คือความเป็นใจรักษณ์นั่นเองวันนี้พูดเรื่องสติปัฏฐานนะเช้านี้เริ่มตั้งแต่ให้มีกายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์เป็นบ้านไม่ใช่คุกเป็นบ้านไม่ใช่เอาไว้เพ่งเอาไว้อยู่มีธุระออกน้กบ้านได้เสมอการปฏิบัตินั้นต้องไม่ตอบสนองกิเลสนะแต่เป็นไปเพื่อแผดเผากิเลสไม่ใช่เพื่อตอบสนองกิเลสนี่เรื่องอาตาปีให้มีความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าหลงไป อย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าเอาแต่เพ่งไว้มีสติรู้กายอย่างที่เขาเป็นมีสติรู้ใจอย่างที่เขาเป็นถ้ามันยินดียินร้ายในรูปในนามในกายในใจที่ไปรู้เข้านี่ให้รู้ทันความยินดียินร้ายความยินดีนร้ายจะดับไปนวินัยยะโลเกะพิชาโทมนัสสเสร็จแล้วก็จะเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจนี่ตรงตามความเป็นจริงจะรู้รู้รูปรู้นามได้ตรงตามความเป็นจริงคือพอร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติรู้ปั๊บเลย ปัญญาเข้าใจเลยตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก uya. หรือนั่งอยู่นี่สติะระลึกได้เลยว่านั่งอยู่รูปมันนั่งอยู่ปัญญาก็รู้ทันเลยไอ้ตัวที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรารเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองหรือความสุขเกิดขึ้นสติรู้เลยความสุขแปลกปลอมเข้ามาในใจแล้วปัญญาก็รู้ทันอีกความสุขเป็นแค่นามาทำอันนึงแปลกปลอมเข้ามาไม่ได้บรรยายแบบนี้นะ มันเป็นความรู้สึกเหมือว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่พอบรรยายเป็นภาษาคนเลยต้องใช้คํายืดยาวเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นนามธรรมมันหนึ่งเวลาภาวนาจริงๆมันไม่พูดอย่างนี้นะไม่ต้องมาช่วยมันบรรยายนะมันก็แค่เห็นว่าความสุขเนี่ยมันเป็นของแปลกปลอมผ่านเข้ามามแล้วก็ไปอย่างเห็นอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราบังคับมันไม่ได้เลือกไม่ได้อันเนี้ปัญญามันจะสรุปทีหลัง อย่าไม่ต้องไปนั่งคิดนะอย่าไปนั่งคิดเอานั่งรู้เอาเพราะกริยามีอยู่คําเดียวนะั่นคือคําว่ารู้นี่ดูลงไปอย่างนี้นะมีสติรู้สภาวะสภาวะก็คือรูปกันามที่ปรากฏมีปัญญารู้ลักษณะลักษณะคือไตรลักษณ์นั่นเองสติเป็นตัวรู้สภาวะปัญญาเป็นตัวรู้ลักษณะสามมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นในขณะที่รู้สภาวะและรู้ลักษณะ สัมมาสมาธิตัวตั้งมั่นใจจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างสบายๆไม่ใช่ตั้งเป็นผู้รู้ผู้ดูที่แข็งๆนะบางคนพยายามตั้งตัวผู้รู้แข็งเกินไปบางทีตั้งไว้เหนือหัวเนี่ยเหมือนดาวเทียมตั้งไว้เงี้ยแล้วก็ดูย้อนลงมาดูลงมาอย่างเข้มแข็งอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะมากไปตั้งตัวผู้รู้แรงเกินไปรู้สบายๆรู้ไป อาเปิเป้ลว่าไงคะผมเปิ้ลหลังๆถ้าจะไม่ค่อยดีอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่าพอไปอยู่กับอะไรที่โมหะเยอะๆหรือว่าตัวเองมีโมหะเนี่ยมันจะแฮปปี้มันจะแบบนวนัว อ, อะค่ะเป็นเพราะว่าจิตไม่ตั้งมั่นใช่ไหมเจ้าค่ะใช่คือเราลืมสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไปแล้วถ้าเราจําสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เราจะเห็นโทษเห็นไัยของจิตที่มัวมว งั้นเราถึงต้องสร้างจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาต้องพัฒนาจิตตัวนี้ขึ้นมาเราถึงจะเจริญปัญญาได้งั้นบทเรียนที่1ศีลสิกขาบทเรียนที่สองจิตละสิกขาเนี่ยพัฒนาจนเกิดจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามันถึงจะบทเรียนที่3ปัญญาสิกขารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษหรอกมันดี มีกีเลตแล้วมันดีนะรู้สึกไหมได้ไปดิ้นได้ไปแหกปากยกมือยกเท้าสนุกใช่ไหมแต่พอเรามีสติปุ๊บไออาการเย้ว์เยวนะอย่างที่เด็กๆมันชอบไปเต้นกันอะ่าเงี้ยเรจะเห็นมันอาการของคนบ้าอาการของคนบ้าไม่เห็นสนุกตรงไห น, นมันบ้าอยู่หรนะือร้องราทําเพลงนะอาการของคนบ้านะแต่ถ้าเราบ้าไปด้วย ใ, ใจเราไม่ตั้งมั่นหลงหลงกับโลกก็รู้สึกสนุกสนานไปกิเลสนะกิเลสมันทําเราชักจูงเรานะออกไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเรเพลิดเพลินไปเราก็รู้สึกว่าอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของดีนะเรียกว่ากามมคุณถึงได้ว่ากรรมมาคุณนะการมไม่ใช่มีแต่กรมโทษนะคนในโลกนะเห็นกรรมมคุณ แต่ผู้ที่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงจะเห็นกลมมาโทษนะถ้าจิตหลงไปก็ไม่เห็นมันหลอกเราหลอกเราถ้าจิตเราไม่เป็นตัวของตัวเองโดนหลอกงั้นก็ฟังธรรมนะฟังธรรมบ่อยๆหน่อยมาวัดเวลาจะมาหาหลวงพ่อนะมันไม่ค่อยขี้เกียจขี้คลานหรอกคนไหนมันขี้เกียจขี้คลานมาก่อนมันจะมาขยันกลางทาง ขนะยันจนบางทีใจสั่นเลยนะจะถึงประตูวัดแล้วใจยังตระเวรเปิดเปิงยังไม่ตั้งมั่นเลยนะลอกกันบ้านเพื่อนไม่สำเร็จมันเคยรู้แล้วมันกลับไปไม่รู้ได้อะ ไ, ได้มันของเสื่อมโอนะ้งั้นอย่าประมาทนะการปฏิบัตินะี่ทิ้งไม่ได้เลยต้องทำทุกวันนะแล้วเราทิ้งไปเสื่อมทาไมเสื่อมล่ะมันเป็นโลกีธรรมของเสื่อม ไม่ใช่โลกุตตะธรรมนะโลกีธรรมมั้ง้นในที่ภาวนารู้กายรู้ใจมีสติว่องไวมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเห็นอะไรก็รู้สภาวะรู้ลักษณะไปเรื่อยบางวันไม่รู้อะไรเลยเสื่อมไปนี่ถ้าเสื่อมเพราะไม่ได้ปฏิบัตินี่นะน่าเสียดายแต่ถ้าเรายังปฏิบัติตามรู้กายตามรู้ใจเหมือนวันปกตินั่นแหละต่เสื่อมเนี่ย ตรงนี้มีประโยชน์นะเราจะเริ่มเห็นความจริงเลยจริงๆแล้วเราบังคับไม่ได้งั้นอย่างเราตามดูจิตใจของเราทุกวันทุกวันนะเราเห็นในบางวันจิตใจดีมีสติมีปัญญามีกุศลเกิดมากมายบางวันแย่มากเลยอะไรๆก็ไม่เกิดมัวซัวไม่รู้เรื่องเลยทั้งๆที่ปฏิบัติเหมือนกันเราจะเริ่มเห็นความจริงแล้วจริงๆก็คือเราบังคับไม่ได้มีค่าที่เออเรมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นแล้ว แสดงว่าเราบังคับไม่ได้จริงแล้วเนี่ยใจจะค่อยๆเห็นความจริงแต่ถ้าวันนี้ภาวนาจิตเจริญขึ้นมาแล้วอ่ะต่อไปสามวันแล้วขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วเสื่อมขี้เกียจแล้วเสื่อมเนี่ยจะไม่เห็นใจรักหรอกนะมันจะรู้สึกว่าที่เสื่อมเพราะเราไม่ทําถ้าฉันทําเมื่อไหร่ฉันก็ดีเมื่อนั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยกิเลสมันหลอกนะนจะรู้สึกเป็นอัตตาไม่ใช่เป็นอนัตตาเพราะงั้นการปฏิบัตินะเว้นวักไม่ได้เว้นวักไม่ได้ ลวงพ่อเว้นรักให้ได้2อันนะที่ยอมยินยอมยกโทษให้มี2องอันนะอันหนึ่งตอนหลับตอนหลับมันจเจริญสติไม่ได้อีกอันหนึ่งคือตอนที่ทํางานที่ใช้ความคิดขณะที่ทํางานที่ใช้ความคิดจเจริญสติไม่ได้เพราะจิตต้องไปรู้เรื่องงานต้องคิดแต่เวลานอกนั้นเนี่ยรู้สึกตัวไว้สมมติาทางานมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วเหลือลนิดหน่อยนะหนาทีสินาทีก็อย่าทิ้งเปล่า ให้รู้ทันจิตรู้ทันใจไปรู้ไม่ได้ก็รู้กายไปอย่างหลวงพ่อเวลาทํางานนะหลวงพ่อจะใช้วิธีมีอูบายนะอันนี้เป็นอูบายเบรกตัวเองเป็นช่วงๆทุกๆชั่วโมงทํางานไปได้ชั่วโมงหนึ่งนะถ้าไม่ติดทันจริงๆ จ, จะเดินไปห้องน้ําช่วงที่เดินไปห้องน้ำเนี่ยเราคิดงานมาชั่วโมงแล้วหัวหมุนติ้วติวเลยดูจิตไม่ออกหลวงพ่อดูกาย พอเราจะขยับตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้เราจะขยับมือก่อนนะไปสังเกตดูเราจะเคลื่อนไหวมือก่อนเห็นไหมนะเราจะเคลื่อนไหวมือก่อนแล้วถึงจะโยกตัวแล้วเท้าเน่ยเคลื่อนทีหลังนะเสร็จแล้วเราก็เดินไปห้องน้ําเห็นร่างกายมันเดินไปใจเราเป็นคนดูมันถ้ามั่วซั่วว่านั้นดูกายเดินก็ยังดูไม่ไหวนะจิตมันไม่แยกออกมาเป็นรู้ว่ากายเดิน ก็เพ่งกายไว้ก้าวซ้ายก้าวขวาอย่างที่พวกเราชอบทามายกย่างอะไรนะรู้ไปนี่สมถะนะนี่สมถะเดินไปห้องน้ำผู้ชายมายืนฉี่ใช่ไหมจะไปนั่งฉี่ก็ประหลาดอีกก็ยืนฉี่แล้วก็เริ่มรู้สึกตัวได้ละมันเดินมานิดหนึ่งนะรู้กายที่ยืนฉี่อยู่พอเสร็จธุระแล้วสบายใจสังเกตไหม พาทำธุระเสร็จมันจะมีความรู้สึกสบายใจเกิดขึ้นมีสติรู้ความสบายใจกลับมาดูจิตแล้วนะเห็นไหมในห้องน้ำยังไม่ละเว้นเลยนะการปฏิบัตินะ่ะโอ้ยถ้าขี้เกียจขี้คลานนะโอ้ยเหนื่อยแล้วตอนนี้ไม่ดูลวพักผ่อนโลชาตินี้ไม่ได้กินหรอกเว้นวักบ่อยไปต้องไม่เว้นวักนะสู้ตายนะแต่ไม่เคร่งเครียดจะไหนะถ้าเคร่งเครียดผิดนะรู้ไปเรื่อย ร, อยรู้สบายสบายไป ช่วงนี้ดูกายได้ก็ดูกายดูจิตได้ก็ดูจิตนะดูกายดูจิตไม่ไหวทําสมถะแนวตั้งรับสุดท้ายของพวกเราคือสมถะนะทำสมถะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปก็ได้เสร็จแล้วพุโทโธไปสักพักหนึ่งสบายใจขึ้นมารู้ว่าสบายใจกลับมาดูจิตได้ลนะตอนเดินออกจากห้องน้ำนะเดินดูจิตมาแล้วนะจิตเบิกบานแจ่มใสมาลนะ้เจอเพื่อนยืนอยู่แวะทักทายคุย เฮฮารู้สึกขำๆนะรู้ว่าขำอีกแล้วเดินกลับมาทํางานจดจ่อกับงานต่อในเวลานิดเดียวนะก็ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งไม่ใช่ว่าโอ้ทํางานเหนื่อยแล้วตอนนี้ช่างมันเถองไปซดกาแฟแล้วลืมเนื้อลืมตัวเล่นดีกว่าสบายดีนะมันเป็นงานที่ประณีตที่สุดเลยนะงานศึกษาตัวเองจิตใจของเราเป็นของละเอียดอ่อนประณีตที่สุดเลย ถ้าเราเรียนไม่รู้เข้ามาถึงจิตถึงใจนะยังไกลต่อมากฝนนิพพานทำสมาธได้ก็ดีรู้กายได้ก็ดียิ่งขึ้นรู้จิตได้ยิ่งดีมากเลยไม่ต้องรู้เข้ามาให้ถึงจิตและใจเรานี้แหละเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมะทั้งปวงเรียกว่าทาสงครามทั้งทีนะตีหัวโจกมันสิตีแม่ทัพมันดเมาตีเรียบค่ายเมื่อไหร่จะตีทาสงครามเสร็จ คนอ้อมค้อมไปไกลเลยได้เหมือนกันนะสําหรับคนที่ยังไม่เข้มแข็งพอแต่ถ้าเราฝึกของเราทุกวี่ทุกวันนะจิตใจเราเข้มแข็งห้าวหาญมีสติมีสมาธิขึ้นมาแล้วเนะี่ยรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยอ้อมค้อมทําไมกิเลสอยู่ที่จิตนีนะ่รู้ลงมาให้ถึงจิตถึงใจนี่มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นที่จิตนี่ไม่ได้ไปเกิดที่อื่นนะนะตีเข้าเข้าเป้าไปเลยการปฏิบัติจะได้สั้นๆหน่อย เงั้นจะมานั่งบนนะว่าฝึกหลายปีฝึกหลายปีเอาเวลาไปทําแต่สมถะนะอย่างนั้นหลายชาติไม่ใช่หลายปีถ้ามารู้กายมารู้ใจเนี่ยไม่นานเท่าไหร่มารู้กายได้ช่วงหนึ่งมันจะเข้ามารู้ใจเข้ามารู้ใจได้รู้กายก็เรียนรู้ใจนะรู้ใจก็รู้กายเบื้องต้นจะรู้อะไรก่อนก็ได้สุดท้ายรู้ทั้งกายทั้งใจอเชิญโยมไปทานข้าวนิมนต์ครับ